คาถาสำหรับคนกลัวผีของดีพระพุทธเจ้าสอนไว้หมดแต่ว่าเกจิอาจารย์อยากดังเอาสิ่งอื่นมาแทรกแซงทำให้คนไทยเขวจากหลักความจริงกลัวผีเหรอกลัวผีเจริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณท่องกรณียเมตสูตรให้ได้สวดทุกวันผีไม่มากวนถ้ามันมามันก็มาขอส่วนบุญจากเรา เนี่ยอยู่ที่กุฏิหลังนี้แหละแม่ของไอ้น้อยคนหนึ่งผีเข้าสิงทุกวันมันแบกแม่มันมาจากบ้านมาวางอยู่ตรงหน้าประตูพอผีมันออกมันก็เดินเข้ามานี่ได้พอมาแกก็มาเล่าให้ฟังไม่ทราบว่ากรรมเวรอะไรสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิทีไรจิตมีอาการเคลิ้มๆพอจะสงบผีเข้าสิงทุกทีนี่มันก็ยังตามมาอยู่นะมันอยู่หน้าประตูหลวงพ่อเนี่ย มันคอยอยู่นั่นหลวงพ่อก็บอกว่าเออมันอยู่ไหนให้มันเข้ามาสิงดูซิพ่อขาดคํามันมาสิงทันทีแกก็ล้มตูมลงไปหลวงพ่อก็เทศให้ฟังนี่เจ้าเป็นวิญญาณผู้ผีปีศาจร้ายมาเข้าสิงกายมนุษย์ทําให้จิตใจเขาไม่เป็นปกติไม่เป็นอันธรรมมาหาเลี้ยงชีพเจ้ากําลังสร้างบาปกรรมจะลงนรกหรือเจ้ามีความผิดอะไรต่อข้า ฆอโหสิ ก, กรรมให้หมดบุญกุศลสิ่งใดที่ฆ่าบำเพ็ญมาข่าอุทิตให้เจ้าแล้วก็น้อมจิตแผ่เมตตาให้มันแล้วมันก็ออกวันนี้ลูกชายยังมาอยู่ถามว่าเป็นไงผีมาสิงแม่อีกไหมไม่เคยมีเลยครับตั้งแต่วันนั้นมาพอผีไม่สิงแล้วแก่มาผิวหน้าผิวพรรณวันณะผ่องใสเมื่อก่อนเนี้ยมาดำดำเดี๋ยวนี้ ร่างกายสมบูรณ์ขึ้น